หรือกรรู ป, ปขันไม่ชอบรู ป, ปขันใช่ไหมหรือไม่ชอบเบทนาขันสัญญาขันสังขารขันหรือไม่ชอบอายตนะหรือไม่ชอบทุกขสัตย์หรือว่าไม่ชอบปฏิจจสมุปบาทก็เอามาไล่ให้หมดเลยนะนนี้เรียกว่าน้อมไปโดยความเป็นธาตอันนี้เรียกว่าน้อมจน จนว่าให้เป็นอภโรหาริกกว่างนันเ้อจนไม่โกรธเลยนะนี่ในหนึ่งอีกในหนึ่งก็เจริญอนุปัสนาไปเลยอันนี้จังเป็นต้นเนี่ยนะคือไล่ไปจนหมดนะเดี๋ยวมันก็เลิกโกรธเองเหรอเนะ้าสมมติถ้เราไม่ชอบใครนะคิดอย่างนี้สักสิบครั้งนะเจริญสักสิบยี่สิบครั้งห้าสิบครั้งนะมันก็ไม่โกรธแต่สำคัญมากๆหนึ่งนะต้องรู้จักสปายะนะ แต่คือคือเหมือนกับว่าเออเรานี่มันตะกูลไวไฟใช่ไหมถ้าเขายั่ว ป, ปั๊บโกรธเลยถ้าอย่างนี้เนี่ยบางกลับบางคนเราอาจจะไม่โกรธแต่ว่าควรห่างเขามีคนบางคนนะควรควรห่างเข้าไว้บางคนเนี่ยพิจารณาโดยเย็บขายแล้วก็ห่างอ่ะนะบางคนก็ควรครบอย่างคนทูศีลเนี่ยนะอันนี้ต้องห่างโดยส่วนเดียวคนมักโกรธ พิจารณาให้แยกคายแล้วก็ถอยซะหน่อยอ น, น, นถ้าคนดีอ่ะก็ควรครบดีไม่ใช่ว่าเราชอบนะดีคือเขาสุดจริตทางกายทางวาจาทางใจอนะนก็ก็ควรเลือกคบอันนี้เรียกว่าเป็นบุคคลส ป, ปายะนั่นนะ ก, ก็ต้องแยกเอาทีนี้เราเนี่ยเป็นคนมักโกรธแล้วก็คนนี้ก็ชอบยั่วให้เราโกรธแต่เราก็ไปหาเขาเรื่อยนะ ไปให้เขาแย่เราเรื่อยอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็บอกว่าเขาไม่ดีไม่รู้ว่าใครไม่ดีกันแน่ก็ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่คู่ควรที่จะเจริญเมตตาได้อยู่แล้วดังนั้นคนที่เจริญเนี้ยก็ให้น้อมโดยความเป็นอสุภะเข้าไปก็ได้อย่างหนึ่งหรือน้อมโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะไปก็ได้นี่นะเสร็จแล้วก็เจริญเมตตาเจริญเมตตามโนกรรมเนี้ยนะก็คือถ้อยคําของเขาก็คือหนึ่งนะสุขิตาโหตุ อนนสุขิตาโหนตุก็ขอให้มีความสุขนะอนนเรารู้จักความสุขมีกี่ประเภทล่ะสุขในศีลสุขในธรรมสุขในสมาธิสุขในมัศสุขในผลสุขในอะไรก็ว่าไปขอให้มีความสุขเหล่านั้นนะก็อภเพออาเวราโหนตุก็คนมีเวเนี่ยไม่มีความสุขอยู่แล้วใช่ไหมเวนเหล่านั้นเหล่านั้นจะได้มีแก่เขาเลยเนี่ยนะเอเวลาโหนตุเสร็จแล้วก็อัพยาปัจชาโหนตุเนี่ยนะ อพยาปชานี่ก็คือไม่ให้เขาพยาบาทาถามว่าถ้าคนพยาบาทนี่เป็นยังไงคนที่มัดพยาบาทเขาก็จะอยู่เป็นทุกข์ใช่ไมก็เขาอย่าได้พยาบาทอย่าทุกข์แบบนั้นเลยนะแล้วก็อย่างต่อไปอีกก็คืออะนีคาอะนีคาโหนตุ ก, ก็คือเขาจะได้มีความทุกข์ทั้งทางกายอย่าได้มีความทุกข์ท า, กาาา ท, กทางใจเลยว่านั้นเลแล้วก็อีกสำนึงอันสุดท้ายก็คือ สุขีอัตานัง pariharantu นะสุขีอัตานังปริหาร r a n t ขอให้รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเธอเนี่ยนะหรือขอให้รักษาตนให้มีความสุขนะคือบริหารตัวเองให้เป็นนะจะได้มีความสุขคล้ายๆกับว่าเหมือนเหมือนอย่างว่าพ่อแม่ที่มีลูกที่จะไปอยู่อย่างที่อื่นๆใช่ไหมก็คล้ายๆกับแนะนําดูแลตัวเองให้ดีนะ จะได้ไม่เดือดร้อนอ่ะ น, นะคิดแบบเนี้ยเป็นเรียกว่าสุขีอัตานังปริหารันตุอันรักษาตนใ ห, ให้ให้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทุกภัยทั้งปวงเธอเนี่ยนะฉนั้นความคิดอันนี้เนี่ยเขาก็อย่าลืมว่าเขามีพยานแห่งเมตาก็เอาตัวเองเป็นเป็นพยานเนี่ยอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็เอาลูกเป็นต้นเป็นเป็นพยานเนี่ยนะเอาลูกเป็นต้นพระพิสูจน์บางรูปก็ท่านอยู่ป่าช้าเนี่ยนะ อยูป่าชาท่านก็แนะนำํำพิสูรรูปอื่นๆให้เจริญเมตตาก็คือให้ให้มีจิตน้อมไปว่าสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับบุตรของตนเนี่ยนะก็ให้คิดแบบนี้ให้มากๆาน ะ, ะการเจริญเมตตามโนโกรรมเนี่ยนะมันทําให้อาณาโนโกรรมรับหลังมันทําให้เมตตามโนโกรรมต่อหน้าดีขึ้นเนี่ยนะแต่ถ้าโมนโนกรรมรับหลังไม่มีเลยเนี่ยนะจะมาต่อหน้าเห็นหน้ามันก็โกรธละลืมหมดเลยนะเมตตาขาดหมดเลย เหนไหหนักๆเข้าก็ตำหนิเขาด้วยเมตตาใช่แต่โทสะกรุนเลยนะเหมือนคนที่มีเมตตาอย่างนี้มากๆก็อันนี้สงก็นะญาติเยอะทำให้มีคนสมัครสมานสามัคคีปรองดองเพื่อนเยอะลูกศิษย์เยอะอะไรเยอะเนี่ยนะไอ้ประเภทเยอะๆทั้งหลายแหละเนี่ยจะมีเทวดาปกปักรักษา เป็นที่ใจของเพ่อใจของมนุษย์เป็นที่พอใจของอมนุษย์ว่า ง, งั้นสุนัข ก, ก็ไม่ค่อยเห่าอมนุษย์ก็สเจริญเมตตาให้เลยก็พระผู้มีพระภาคนะเป็นผู้ที่มีเมตตามากเอการที่พระ อ, องค์ปกติพระ อ, องค์ก็แผ่เมตตาไปกว้างขวางมากๆเนี่ยนะมีอยู่ที่พระเทวทัศ์เนี่ยแนะนําให้ในาย คนคนที่ดูแลม้านะเออดูแลช้างอะ่ะช้างธนาบานช้างนาราคิริเนี่ยปล่อยให้ให้ปล่อยช้างมาเพระอ่าพระ อ, องค์นี้ก็ปกติเนี่ยปกติเนี่ยเจริญแผ่เมตตาด้วยไม่เจาะจงเนี่ยนะไปในจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดอะ่ะเอาพลังเมตตาที่เคยเจริญแผ่ไปในจักรวาลนะมุ่งไปที่คนเดียวมุ่งไปที่สัตว์นะนั่ น, น, นอันเดียวคือคือนาราคิริเนี่ยนะช้างนาราคิริอะ่ะที่เราจะฟังพระสวดที่เรียกว่าอ่าชะยะมงคลเนี่ยนะ คือชัยชนะของพระพุทธเจ้าแด อ, อย่างนะก็นาราคิริงกะชาวารังอธิมัตภูตังเนี่ยนะก็บทเนี้ยก็คือปกติก็เจริญเมตตาไปในสรรพสัตหาที่สุดไม่ได้อยู่แล้วก็น้อมเมตตาอย่างเดียวเนี่ยแผ่ไปหาช้างเนี่ย น, นะช้างก็เลยมีจิตอ่อนโยนต่อพระผู้มีพระภาคและอีกครั้งหนึ่งนเนี่ยนะก็คือพระองค์เนี่ยแผ่เมตตาเจาะจงไปหากษัตริย์ คนหนึ่งเนี่ยนะกษัตริย์ ท, ที่ที่เมืองกุสินาราสมัยที่ไปกับพระอานนท์ไปพระพิสูจนเยอะๆเนี่ยนะก็กษัตริย์เมืองนี้เขาก็มาต้อนรับพระพุทธเจ้าพระอานนท์ก็ทักว่าอ้าวเขามาต้อนรับบอกไม่มาได้ยังไงถ้าไม่มาเขาปรับสิอ่านะเพราะกษัตริย์เขาตั้งกติกากันไว้ถ้าใครไม่มาต้อนรับพระพุทธเจ้าจะเสียค่าปรับเนี่ยนะผมก็เลยมานี่แหละครับว่างั้นไม่ได้ไม่ได้ศรัทธาว่างงั้นเถอะเสร็จแล้ว พระนรนก็ก็งเงียบอะนะไม่ว่าไงก็ไปเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคือปกติพระนรนกับกษัตริย์คนนั้นเนี่ยคุ้นกันเสร็จแล้วก็บอกว่าให้พระ อ, องค์นี้อนุเคราะห์อ่ากษัตริย์องค์นี้ด้วยเถเนี่ยนะพระ อ, องค์ก็เจริญเมตตาพุ่งไปหาเลยพอเจริญเมตตาพระกษัตริย์คนนี้ก็ติดตามหาว่าพระพุทธเจ้าตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยนะก็เลยเข้าไปเฝ้าพระ อ, องค์ก็แสดงธรรมให้ฟังเนี่ยไง แล้วปกตินี้สมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนไม่ใช่ว่าคนเขาไม่อยากลองดีทุกคนเขาก็จะเตรียมนะรู้ว่าคือสมัยก่อนเขาไม่ได้มาเร็วไปเร็วใช่ไหมมันก็ค่อยๆมากันเนี่ยรู้แล้วสมณโคโดมจะมาเส้นนี้และเนี่ยนะตามเส้นทางจที่ก็ต้องมาทางนี้เราก็ผูกปัญหาไว้เลยเนี่ยนะว่าจะเอาปัญหาไหนนะถ้าถามอย่างนี้ไปท่านตอบอย่างนั้นมาถ้าถามอย่างนั้นไปก็ตอบอย่างนั้นมาเนี่ยนะโอ้เสร็จเราอ่ะนั้นเถอะวางแผนคิดจะเล่นงานพระพุทธเจ้านะ พอบางทีเนี่ยเข้าไปเฝ้าเสร็จพระองค์ก็เจริญเมตตาเนี่ยนะเจริญเมตตาไปเห็นพระพุทธเจ้านะโอ้ยคนดีขนาดนี้เราจะไปยุ่งอะไรกับท่านเนี่ยนะก็ด้วยอนุภาพของเมตตาคือปกติแล้วพระองค์เนี่ยจะเจริญเมตาก่อนจะแสะดงธรรมเนี่ยนะพอเจริญเมตาก่อนจะแสะดงธรรมแล้วก็เขาก็ไม่มีจิตประทุสร้ายต่อพระพุทธเจ้านี่โดยโดยปกติจะเป็นอย่างนั้นและอย่างหนึ่งก็คือคนที่ มามาจะผูกเวรกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะมาถามปัญหาพระองค์ก็จะแทรกระหว่างแสดงธรรมไปเรื่อยก็จะแทรกโทษของการตั้งปัญหาผิดๆตั้งปัญหาแบบนี้มีโทษอย่างนี้ตั้งปัญหาแบบนี้มีโทษอย่างนั้นอย่างนั้นพระองค์ก็จะแก้ไปในระหว่างธรรมเทศนาเนี่ยนะเสร็จแล้วเขาจะรู้ว่โอ้โหนี่ดีนะถ้าเราถามนะเสียคนเลยงานนี้เหมือนนันถามน่ะเสียเลยอะ่ะพระองค์ก็รักษาเราไว้อย่างนั้นก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าอใหญ่เลย ทันสมัยก่อนก็เป็นลักษณะนั้นทันพระพุทธเจ้านั้นเป็นเมตตาวิหารีบุคคลก็อยู่ด้วยด้วยเมตตาเป็นอย่างมากทันเมตตาก็ถ้าประพฤติได้ทั้งสามทวารคือเมตตากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมก็คนนี้ก็จะมากไปด้วยอัโทสะเนี่ยนะอัะอะโทสะนี้ถือว่าเป็นบทธรรมที่ที่ดีที่ประเสริฐมีคุณมากเนี่ยน ะ, ะไม่มีโทษ นี่ต่อไปนะข้อข้อที่สก็คือพิสูยย่อมแบ่งปันลาบอันประกอบด้วยธรรมะได้มาโดยธรรมะเนี่ยนะคือวัตถุที่ได้มานั้นได้มาโดยไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมได้มาโดยชอบธรรมเนี่ยนะไม่ได้มาโดยโดยมิจฉาอาชีพนั้นโดยที่สุดแม้มาดว่าอาหารอันนับเนื่องในบาทคือเฉลี่ยการบริพภคกับเพื่อนพรหมจรรย์ ผู้มีศีลทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นสารานิยธรรมกระทำให้เป็นที่รักให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาดการเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะก็ได้ปัจจัยมาก็รูแ บ, แ, บ แ, บแบ่งกันนะก็คล้ายๆคุณชฉลิมเนี่ยก็มีมาไฟมาก็มาแบ่งๆกันนี่นะก็ลักษณะนั้นแหละเรียกว่าสาธารณโพคีมันอันนี้ก็เป็นไปเพื่อมิตรภาพะนะจะว่าไป เพราะว่าคำว่าทำให้เป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันนี้ก็คือลักษณะของมิตรภาพนั่นเองนะก็มีอะไรก็แบ่ ง, แ บ, งแบ่งกัรตาเนี่ยนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเป็นผู้มีศีลเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและละรับหลังเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญแล้วอันตันหาและทิฏฐิไม่แต่ต้องแล้วเป็นไปเพื่อสมาธิ แม้นี้ก็เป็นสารานิยธรรมกระทาให้เป็นที่รักให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทการเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนีย่ยนะก็คืออย่าลืมว่าคนที่สมัครสมานสามัคมคีคกันเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคุณธรรมก็ต้องเสมอกันใช่ไหมคือปกติทั่วๆไปแล้วตามหลักนั้นเนี่ยที่พระ อ, องค์สอนไว้นะเขาบอกว่า อย่าคบคนที่เลวกว่าเนี่ยนะเขามีสูตรนะให้คบคนที่เสมออสูงกว่าถ้าไม่ได้ยังไงก็คบคนที่เสมอกันทีนี้ถ้าหนึ่งนะไม่มีคนสูงกว่าไม่มีคนเสมอแล้วก็โดยมากมีคนต่ำกว่าเนี่ยนะก็บอกว่าให้ไปแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะก็บอกว่าอย่าเขาบอกว่าความเป็นสหายในหมู่คนพานไม่มีคือหมายความว่าถ้าคบคนพานเลยนะ ท่านบอกว่าจุลสินไม่เกิดมัชชีมาศินไม่มีมหาศินไม่มีเนี่ยนะครบแล้วสมถะไม่เจริญวิปัสนาไม่เจริ ญ, รญอภิน ญ, ญามมรรคผลไม่ได้เกิดจากสหายฐ่านองนั้นเถิดเพราะฉะนั้นก็บอกว่าควรหลีกเลี่ยงเว้นแต่จะสงเคราะห์เนี่ยนะเว้นแต่จะสงเคราะห์คือการสงเคราะห์กับการคลุกคลีเนี่ยแตกต่างกันนะคือถ้าถ้าสงเคราะห์เนี่ยนะอย่างคล้ายๆกับใครที่นิยมไปสงเคราะห์อย่างสมมติเด็กเด็ก เด็กอนาถาใช่ไหมก็ไปสงเคราะห์ไปสงเคราะห์เด็กเหล่านั้นกับไปคลุกคลีกับเด็กเหล่านั้นเหมือนกันไหมไม่เหมือนชั้นใดก็ดีนะคนที่ที่ไม่มีคุณธรรมหรือคนที่เลวกว่ า, วางั้นเถอะก็เข้าไปควรถ้าจะเกี่ยวข้องกับเขาก็ด้วยสงเคราะห์แต่ไม่ใช่ไปคลุกคลีไปเอ่อคลุกคลีทางกายคลุกคลีทางวาจาคลุกคลีทางใจร่วมความคิดกิจกรรมเนี่ยไม่จําเป็นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าคุณเครื่องความเป็นสมณนะไม่ได้เกิดจากสหายพานเนี่ยนะ มีแต่เสื่อมโดยส่วนเดียวถ้าเจอคนพาณ น, นั้นโดยมากทำมีคาถาที่เป็นไปก็คือเตระฉานคาถาซะส่วนใหญ่เนี่ยนะก็สนทนาแต่เรื่องอกุศลกรรมบทตซะโดยมากอ่านะเช่นชวนกันไปตกเบ็ดอย่างนี้นะก็เป็นไปเพื่ออะไรตานาติบาตชักชวนกันนะั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อศีลเลยเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นนะก็ห่างๆหน่อยดีฉั้นผู้ที่รักษาศีลถ้าไปคบกับคนที่ศีลไม่ดีเนี่ยนะ ก็ศีลนั้นก็เป็นหานะภาคยะอย่างน้อยที่สุดตัวเองไม่เสียศีลก็เสียชื่อก่อนนะนะคนอื่นก็ก็ตำหนิก่อนระแวงก่อนนะว่าเอ๊คนนี้เป็นยังไงกันแ น, น่นเนี่ยนะว่ามีศีลแต่ทำไมอยู่แต่กับคนทู่ศีลอย่างไงี้นะก็เป็นที่หวาดระแวงเป็นที่ตั้งแห่งความสงสยัยทีนี้ข้อที่สาคัญมากก็คือข้อสุดท้ายเนี่ยนะภิกษุเป็นผู้มีทิฏฐิเสมอกันเนี่ยนะ ทิฏฐิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังในทิฏฐิอันประเสริฐนำออกจากทุกขนำผู้ปฏิบัติตามเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเนี่ยนะทิฏฐินี้ต้องทิฏฐิระดับไหนจึงจะเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบเนี่ยนะที่นำออกจากทุกได้เป็นทิฏฐิที่ประเสริฐอันนี้หมายถึงทิฏฐิระดับโสดาปติมัคเนี่ยนะทิฏฐิอย่างนี้ก็มีสัมมาทิฏฐิขนาดนี้ก็เรียกว่าได้สารานิยธรรม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 เนี่ยนะแบ่งปันลาบนะคือคือเป็นคนไม่ตนีทีเหนียวว่างั้นเอะอันนี้ก็ทําให้เกิดสารานิยธรรมทาให้ที่ระลึกถึงกันได้แล้วก็มีความประพฤติเสมอกันเนี่ยนะศีลเสมอกันกายวาจาเสมอกันอาชีพเสมอกันเนี่ยนะอันนี้ไม่ไม่ใช่ทรัพย์นะหมายถึงตัวศีลเนี่ยคล้ายคลึงกันเนี่ยนะพอที่จะคบคุยกันได้แล้วก็สําคัญก็คือทิฏฐิเหมือนกัน คืมีความเข้าใจในเรื่องอริยสัจเหมือนกันเนี่ยนะอันนี้จึงจะควรคลุกคลีกันแต่มีทิฏฐิเหมือนกันอีกคนหนึ่งสัมมาทิฏฐิอีกคนหนึ่งมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะอันนี้ห่างกันไว้ยิ่งดีเพราะอะไรเพราะถ้าทะเลาะกันที่ที่มีปัญหาที่สุดคือทะเลาะกันเรื่องทิฏฐิเนี่ยนะทะเลาะกันเรื่องทิฏฐิเนี่ยนะสงครามบางอย่างก็เกิดจากทิฏฐินั่นเองเนี่ยนะก็เพราะความเห็นไม่เหมือนกันก็ทําให้ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นทิฏฐิเนี่ยนะถ้าสองอย่างแล้ว่มันจะไม่ค่อยมีลงรอยเหมือนกับว่าอีกเจ้าหนนึ่งะ สมมติเ่าไปด้วยกันเคมีทางแยกซ้ายกับขวาอีกคนหนึ่งจะให้ไปซ้ายอีกคนหนึ่งจะไปแต่ขวาอย่างเงี้นะถ้าสองคนนี่จะคุยกันด้วยเมตตากันไม้มไม่ลยนะโดยมากนะกคนจะซ้ายมันก็จะซ้ายอย่างเดียวคนจะขวาก็จะขวาอย่างเดียวก็ก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องมันก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อสารานิยธรรมให้ระลึกถึงกันอะไรนั้นความเห็นเนี่ยต้องคล้ายๆกัน ดันั้นใครที่ไม่อยากให้ตัวเองมีปัญหามากๆนะต้องหลีกเลี่ยงคนที่มีความเห็นต่างจากตัวเองคือถ้าเราไม่พร้อมจะไปคิดแบบเขาอ่ะนะคือเธอสมมติเรารู้แล้วคนนี้เขามีทิศทางแบบนี้เราก็ถามว่าเรายินดีที่ยินดีในทิิแนวนั้นไหมถ้าไม่ยินดีอันนี้ห่างเขาไวด้ดีถามว่าทาไมห่างเพราะถ้าเมื่อไหร่คุยกันเรื่องทิศแล้วมันจะทะเลาะ ก, กันเนี่ยนะ ก็ก็เหมือนกับว่าอาสมมุติของเรานับถือพระพุทธศาสนาเพื่อนนับถือศาสนาอื่นนะมีอยู่เรื่องเดียวคือห้ามคุยเรื่องศาสนาอ่นะคุยเรื่องอื่นคุยไปคุยเรื่องงานคุยไปแต่ว่าอยากคุยเรื่องศาสนาคุยเมื่อไหร่แล้วมันจะมีปัญหามากๆนะทะเลาะกันแนะ่เห็นไหมเพราะว่าไม่มีของใครเลวเชื่อะทิฏฐิของฉันดีหมดแหะก็ลูกพ่อการ ก, ก็ว่าดีนะก็บอกว่าถ้าเป็นเพื่อนทางธุรกิจเขาจะไม่คุยเรื่องศาสนาเขาบอกงั้น เร <c oughs> ไม่คุยจนนันเขาจะไม่คุยถ้าคุยแล้วมันจะจะโหมีปัญหามากมางเนี่ยนะทีนี้แม้กระทั่งคนในศาสนาเหมือนกันเนี่ยนะถ้าทิฏฐิแตกต่างกันเนี่ยนะก็คุยกันไม่ได้อยู่แล้วก็คือคุยก็คุยแต่เรื่องอื่นเห็นไอย่างของมาไปทั่วๆไปนะก็จะไม่ไม่คุยธรรมะก็หลวงพ่อถ้าไปหาไปวัดไหนหลวงพ่อสบายดีไหมครับอยู่กี่องค์ฉันอะไรอะไรยังไงผมขอพักได้ไหมก็คุยกันเนี้พอละ ไปคุยมากกันนั่นเด๋อดร้อนแน่เห็นไหเพราะเพราะเขาไม่ได้เชิญเราไปด้วยเราไปเองไม่ได้พักอีก่ทั้งหากเห็นไหมันก็เขาให้พักนี่ก็โอ้ยเมตาก็เขามีเมตตากับเรามากแล้วเด็ดเป็นเครือญาติอะไรก็เลยอืเขาไม่ได้เชิญให้เราไปแนะนําที่ไหนเยยาหมดกก็ส่ไวอลโก็ วิธีแสดงก็ต้องแสดงให้มันสูงไว้ก่อนเขาก็จะไม่แสดงไอ้ประเภทว่าเออแค่นี้ก็พอแล้วอย่างเงี้ยเขไม่ไม่แสดงแบบนี้หรอกเนี่ยนะคือสักกุศลเขาจะไม่แสดงให้สันโดษไว้แสดงให้ว่าให้เยอะเนี่ยนะคือต้องตั้งไว้ให้มากก่อนส่วนจะทําได้เท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดไปตั้งนะเออเนี่ยคุณรู้แต่เรื่องกรรมก็พอแล้วก็พอจริงๆอ่ะแหละพอเออฉันรู้เรื่องกรรมแล้วก็ บอกว่าเสร็จแล้วฉันรู้แล้วพอแล้วเนีย่ยนะเออได้แล้วแต่ทีนี้ถ้าตั้งโสดาปฏิมักไว้ก็ก็จะเออเนี่ ย, ยนะต่เกียยตะการให้ได้โสดาปฏิมักนะพอไปถึงโสดาปฏิมักพระองค์บอกว่าไม่พอหรอกเนีย่ยนะโสดาปฏิมักก็ยังเกิดในภพอยู่ดีเหมงอนกันเถอะภพเนี่ยจะมากจะน้อยมันก็เหมือนกับอุจจาระนั่นแหละเหมือนกันพระองค์ก็จะแสดงไปอีกนะแต่ว่าให้ไม่ได้โสดาปฏิมัค ก, ก่อนนะค่อยว่ากินนะ ก็ยังไม่อยากเป็นสูงขึ้นไปอีกหรืออยากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นว่ามันมันไม่มีทางไปถึงได้้างเดินต่อไปเก้าไปจบไปไ ม, มันก็ไม่แน่เหมือนกันก็ในอังคุตรนิกายพูดถึงว่าพระัรมะที่ทําให้พระเสขะเสื่อมคําว่าเสื่อมไม่ใช่เสื่อมจากมรคลแต่ว่ามรคลที่ควรบรรลุไม่บรรลุนะคือหมายความว่าก็ติดอยู่เท่านั้นแหละหนึ่งพวกชอบงานเนะี่ยนะคิดหาแต่งานทำํำมางั้นเถอะ นวกรรมก่อสร้างอนุนก็น่าทําไหมนี่ก็น่าทําอนะหนึ่งชอบชอบงานสองชอบคุยอนะโอ้พวกคุยมากเลยแต่ไรฉันก็ถ้าไปเรื่อยเนี่ยนะก็สามก็ชอบหลับชอบนอนอนะนะนิ่งก็เป็นหลับเลยนี่ยไม่ก็ก็ไม่เจริญนะแล้วก็ข้อต่อไปอีกก็คือพวกไม่ไม่พิจารณาจิตของตัวเองที่หลุดพ้นตามสมัยเห็นไหมมีหลายข้อเพราะ ผู้ที่ชอบคลุกคลีอชอบนึงนะชอบคลุกคลีชอบคุยชอบการงานพวกนี้ก็ไม่ค่อยเจริญอยู่แล้วขนาดเป็นถ้าเสขะอยู่นะยังคุณธรรมชั้นสูงก็ไม่เกิดต่อไปอีกเห็ไนไหมคือการพูดคุยเนี่ยโดยเฉพาะสนทนาที่ไม่เป็นธรรมะเนี่ยนะพอพูดจบแล้วโดยลำพังทั่วๆไปนะเวลาคุยอะไรกันเนี่ยคำเหล่านั้นมันจะก้องหูไปมันเหมือนกับก้องหูะนะจริงๆมันก้องใจเหมือนกันเถอะ คำทุกคําที่สมมุตินะเราคุยกับใครก็ช่างอะคุยเรื่องอะไรก็ช่างอะมันจะติดไปหนึ่งคำอย่างน้อยที่สุดหนึ่งคำไปเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปคําเหล่านั้นอนะมาครุ่นคิดทีนี้คําบางอย่างมันไม่คู่ควรต่อการคิดอะแต่เราก็ยังเอามาคิดะนะเพราะฉะนั้นจึงไอ้การพูดคุยกันบางอย่างไม่ได้เป็นเรื่องดีอะไรเนี่ยนะคือเว้นไว้แต่การพูดเป็นธรรมะเนี่ยนะ เพราะเวลาพระพิสุประชุมกันเนี่ยพระองค์จะแนะนําเลยนะว่ากิจสองของผู้เข้าที่ประชุมนะหนึ่งให้สนทนาธรรมสองถ้าไม่สนทนาธรรมให้นิ่งอย่างพระอาริยะคือให้เจริญกรรมาฐานหรือไม่ก็เข้าทุติยชานไปเลยเหมือนันเนี่นยนะก็ให้ให้นิ่งแบบพระอาริยะเหมืันกันเพราะอะไรเพราะว่าการคุยกันเนี่ยมันมันเป็นเหตุให้วิบัติมากๆเนี่ยนะ ก, การสนทนากันนะเพราะ บ, บางคนเนี่ยนะสนทนาไปแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อสมาธิอะไรเลย หมายความว่าคุยยิ่งคุยยิ่งฟุ้งอ่ะนะยิ่งนานยิ่งฟุ้งมากก็ให้พิจารณาเอากันแล้วกันนะอย่าลืมว่าในบรรดาสปายะเจ็ดเนี่ยนะข้อหนึ่งก็คือพูดเนี่ยนะภาษาสปายะเนี่ยนะการการพูดการคุยเนี่ยนะสะปายะหรือไม่ก็อยู่ตรงนั้นแหละคือการพูดคุยเนี่ยนะเป็นวจีใช่ไหมถ้าพูดด้วยกุศลจิตก็วจีสุจจริตถ้าพูดด้วยอกุศลจิตก็เป็นวจีทุจริตถ้าวจีทุจริตเนี่ยนะถามว่าทุจริตนํามาซึ่งอะไร เนี่ยนะทุจริญเนี่ยนะทุจริตก็นํามาซึ่งนิวรณ์เนี่ยนะถ้าทุจริตมากก็อุทจักกูรูจันิวรณ์ก็จะมากเนี่ยนะพันการพูดการฟุยนี้สําคัญมากเนี่ยนะถ้าอยากจะฟุ้งมากๆากก็พูดเพ้อเจ้อเยอะๆย่งเงก็จะฟุ้งเยอะเองอะเนี่ยนะก็เดรัจฉานกระถาทั้งหลายก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์อะไรเนี่ยนะทีนี้ถ้าอกุศลจิตมันเกิดขึ้นนะ ถ้าใคร่ครวญให้ดีแล้วอะ่ะมีโทษมากถามว่าโทษของเข้าเป็นยังไงอกุศลจิตที่เกิดขึ้นนะก็ อ, อย่างแรกก็คือกุศลที่ควรจะเกิดมันไม่เกิดอะ่ะเนี่ยนะศีล ส, สมาธิปัญญาควรเกิดไม่เกิดเลยและกุศลที่เคยเกิดนะั้นไม่รู้มันหายไปไหนหมดเนี่ยนะเอาเอาลองอย่างนี้นนะสมมติถ้าใครที่เคยเจริญกุศลอย่างดีนะแล้วไปเจอเรื่องไม่สปายาสักเรื่องหนึ่งเข้ามานะกรรมฐานที่เคยได้ไม่รู้หายไปไหนหมด เนะพระไตรปิฎกเคยอ่านแล้วมันลึกซึ้งก็าหายลึกซึ้งไปหมดเลยนะมันกลายเป็นเสียไปหมดเลยมันสปายะนั้นสำคัญมากถ้าใครที่แยกแยกสปายะไม่ได้นะมันไม่ควรแก่การเจริญเพราะอะไรเพราะมงคลข้อหนึ่งก็ไม่ได้นมงคลข้อแรกกันนะมงคลข้อแรกก็บอกว่าอยากคบคนพาณนะมงคลข้อที่สองอยากคบบัณฑิตนไะมงคลข้อหนึ่งอขอไปข้อสองให้คบบัณฑิต ถ้ามงคลข้อหนึ่งข้อสองนะข้ออริรู้อริยศรรยัสตร์น้นมงคลข้อแต่ท้า ย, ายมันก็รู้ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะกคน็คนแยกคนครบตั้งกันแรกๆ ก, ก็ไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> ทีนี้มาดูถึงธรรมะหมวดหกข้อที่เนี่ยนะพูดถึงธรรมะที่ควรเจริญคือพาเวตปรธรรมเนี่ยนะธรรมะที่ควรเจริญตรงนี้พูดถึงอนุสติฐานหกเนี่ยนะนะการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า การระลึกถึงคุณของพระธรรมการระลึกถึงคุณของพระสงฆ์การระลึกถึงศีลการระลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคไปแล้วก็การระลึกถึงคุณที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาว่าแม้ธรรมะนี้ก็มีอยู่ในตัวเราเรียกว่าเทวดานุสติเนี่ยนะธรรมะทั้งหอย่างนี้ควรเจริญซึ่งอนุสติหนี้เป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคสอน พระเจ้ามาหานามะนะสอนที่สอนให้คารวาสเจริญกรรมฐานเนี่ยนะ ขันนนี้เยอะแยะหมดเลย อย่างในอังคุตรนิกายานะชักกะนิบาทพูดถึงอนุสติของพระอริยสาวกมันนะในข้อ281เนี่ยนะมหานามสูตรกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณ น, นิโคทารามใกล้ใกล้กรุงกบิลพัทแควนสักกะครั้งนั้นแลเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะ ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมและก็ประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยาสาวกผู้ได้บรรลุทราบชัดพระศาสนาแล้วย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมชนิดไหนเป็นส่วนมากพระเจ้าข้าอันนี้ก็พูดถึงผู้ที่เป็นพระโสดาบันนั่นนะคือมีพระศาสนาอันทราบชัดแล้วนะศาสนาโดยเฉพาะ อะไรไตรสิกขาที่ทำให้แทงตลอดคือบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วจะอยู่ด้วยธรรมะอะไรเป็นส่วนมาก น, นะก็ดูเรามาดูว่าถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วท่านคิดอะไรเยอะองนั้นเถอะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหานามะอริยาสาวกผู้ได้บรรลุผลทราบชาัดพระาศาสนาแล้วย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคือ อริยะสาวกในพระศาสนานี้ย่อมระลึกถึงพระตถ า, าคตเนืองๆว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผ้าอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเนี่ยนะทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีที่ฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานด้วยธรรมเป็นผู้จำแนกแจกแกงธรรมะ ก็คือบทว่าอิติปิโสที่ที่เราสวดกันนั่นแหละแต่ทีนี้ของของเราสมัยใหม่นิยมมาไว้สวดเช้าทําวัดตอนเช้ากับตอนเย็นแต่พระผู้มีพระภาคแนะนําให้คิดอย่างนี้เนืองเนือง ค, อคือคือหมายความว่าถ้าไม่ได้คิดเรื่องอื่นก็คิดเรื่องนี้ให้มากอย่างนั้นเถอะก็ไม่ต้องรอให้ถึงเช้าก่อนแล้วค่อยสวดหรือว่าเย็นก่อนแล้วค่อยระลึกเนี่ยไม่ต้องก็ให้มาระลึกเนืองเนืองระลึกบ่อยๆอยเนี่ยนะยู่เมื่อว่างอ ไม่มีกิจกรรมอย่างไรก็หันมาละลึกแทนที่จะปล่อยความคิดให้เป็นไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะก็มาละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้